ทรงประชุมสงฆ์บรรยัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชบาบัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเข้าบ้านในเวลาวิการนั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรชนกถาต่างๆคือวงเล็บหนึ่งราชกถาเรื่องพระราชาวงเล็บ28อิติภาวะภาวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมจริงหรือ